พวกเราส่วนมากก็เรียนแล้วเรียนอีกนะต้องภาวนาตั้งอกตั้งใจถือศีลห้าให้ได้พวกเราอย่างบกพร่องเรื่องของศีลสมาธิก็ฝึกให้มันส่งตัวนี่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องรอยไม่เครียดภาวนาเราเครียดนี่ผิดเลยนั่นก็เจริญปัญญา เบืองตนแยกธาตุแยกขันแยกธาตุขันได้แล้วก็ดูธาตุขันทำงานเห็นธาตุขันแสดงใจลักหลักมันก็มีเท่านี้เองอยู่ในหลักของศีลของสมาธิของปัญญาถ้าทำพอนะมักผลมันก็เกิดทำให้พอก็สะสมไปวนเวียนไปก่อนพอเมื่อไหร่ก็เกิดมากเกิดผล ยังไม่ได้มักได้ผลสักอย่างเดียวนะยังเสี่ยงอยู่ยังลงอบ่ายได้พวกเราไม่รู้ว่าความจำเป็นเร่งด่วนของพวกเราเคือต้องหนีอาบายให้ได้นี่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดเรามากคิดว่าเรื่องปฏิบัติเอาไว้ก่อนขอเที่ยวขอเล่นขอสนุกสนาน ผลันมันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอเวลาหมดไปหมดไปนะแก่ลงมาก็ภาวนาลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยพภาวนาลำบากมีปัญหาชีวิตรุนแรงภาวนาลำบากช่วงที่ยังแข็งแรงมีกำลังมีโอกาสตัวต้องรีบตักตวงภาวนา เราไม่รู้ว่าการานิยบ่ยเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะพหน้าเลยมตามหลังเราอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูใจเราเนี่ยวันหนึ่งกุศลเกิดกี่ครั้งวันหนึ่งอกุศลเกิดกี่ครั้งมันน่ากลัวขนาดไหนเห็นไหมว่าอากุศลเกิดบ่อยยิ่งอกุศลเกิดถีเท่าไหร่นะแล้วเราไม่รู้นะ มันก็พาเราไปเอาบายท่านเองมันเป็นเรื่องน่ากลัวมีหูมีตาเขาจะรู้สึกน่ากลัวไม่มีหูไม่มีตาเขาไม่รู้สึกอะไรอย่างหมาไม่ครไม่ัวตกนรกไม่รู้เรื่องนี่ถ้าเราไม่กลัวเลยก็ เ, เหมือนกันภูมิจิตภูมิธรรมระดับจะไปออมบ ศีลต้องรักษานะศีลพวกเราอย่าให้ดังพลอยตามใจกิเลสไปสนุกสนานชัวว่วครายยอผิดศีลบางคนคนว่ามีกิ๊กมีอะไรหลอกผู้หญิงได้เยอะๆเป็นกำไรชีวิตกำไรอะไรจะไปอบยัยบางคนก็หลอกผู้ชายเดี๋ยวนี้หลอกซึ่งกันและกันแนะ อภัยภูมิน่า ก, กลัวเปรตก็น่า ก, กลัวนะเปรตมีชีวิตที่หิวโหยอดอยากขาดแคลนเคยมีพระองค์หนึ่งนะก่อนท่านบวชนั่งรถทัวร์ไปยังเป็นคารวาดยังขึ้นไม่เชียงรายท่านก็นั่งสมาธิไป ชำมืดนะท่านเห็นเปลตเปลตนั้นตัวสูงเท่าภูเขาแลยเปลตตัวนั้นงดงามมากนี่แต่ใส่ชุดพระอยู่เป็นเปรตพระในคำภีเขาพูดถึงเปรตพระแล้วทําไมงดงามเพราะถือศีลมาอย่างดีเลย้ถือศีลอย่างดีทําไมไปเป็นเปลต เดินป่าแล้วหลงป่าหาทางออกจากป่าอยู่ตอนที่ออกทุดงไปหาทางออกจากป่าไม่ได้หลายวัดหิวใจทุนรนทุรายด้วยอำนาจของความหิวอยากได้อาหารและตายลงในขณะนั้นจิตที่มีกาลังกล้ามากเลยก็คือความอยากได้อาหารอยากออกจากป่าส่วนนี้ให้ผลก่อน เพราะว่ามันเป็นกำลังแรงในขณะที่ตายอาศัยศีลที่รักษามาดีนะะได้มีรูปร่างที่งดงามเปรตงามแบบเทวดาก็มีนะเปรตบางชนิดเนี่ยอยู่ในสวรรค์นะอยู่วิมารแต่เปรตนี้ไม่ได้อยู่วิมารยังหาทางออกจากป่าไม่ได้ท้านที่ตัวก็ใหญ่มากนะเดิน 9, 2, 9ก้าสองก้าก็นป่าแล้วแต่ว่ากรรมมันหล่อเลี้ยงอยู่ มันบงังหาทางออกไม่ได้เห็นแต่ป่าทึบไปหมดเลยเดินอยู่นั้นแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญให้ก็ไม่รู้เรื่องเพราะใจขนาดนั้นเนะยิ้วหวยนี่อบายมันน่า ก, กลัวนะมันจ่อหลังเราอยู่ตลอดเวลาเลยขนาดรักษาศีลมันดีตั้งอกตั้งใจจะภาวนาแต่ถูก โลภะครอบงำอย่างรุนแรงในขณะที่จะตายนี่มันเรื่งฝึกจิตฝึกใจไม่ดีพอก็อไปเป็นเปรตได้บางคนไปเป็นอสุรกายน่าเกลียดน่ากลัวอสุรกายเนี่ยประเภทรับส่วนบุญของใครไม่เป็นที่เซวจัดมีพราองค์หนึ่ง สมัยเป็นคารวาสนะ ม, มีญาติผู้ใหญ่ตายไปทำบุญกระหลกงพุธเทศทำบุญให้ถาวายจีวรถาวายอะไรต่ออไรนะเอาเงินไปฝากหลกงครัวทำอาหารเลี้ยงพระทั้งวัดในต่อไรทำบุญกรวดน้ำให้อสุรกายนี่ไม่รู้เรื่องเลย เห็นผ้าจีวอลปรากฏขึ้นไม่เลื่อมใสไม่รู้ว่าเอาผ้าจีวอดมาให้ทำไมตัวเองไม่ได้พระนี่แกไปคิดไปอย่างนั้นอีกนะเอายาไปทำบุญได้ยามาว่ากูไม่ได้ป่วยเอายาไปทำไมแต่พอลูกหลานบอกนะว่าเอาเงินไป เข้าโรงครัวนะทำอาหารเลี้ยงพระทั้งวดนนัดเลยนะตอนเขาเคยมีชีวิตอยู่เป็นคนนะเขาชอบไปวัดหิ้วปิ่นโตไปวัดยนะิ้วไปอย่างนั้นนหะเพราะว่าชาวบ้านทำแบบนั้นทุกคนก็ไปด้วยเห็นพระนั่งฉัดข้าวเต็มศาลาเกิดความปลื้มใจขึ้นชั่วขณะ พอได้ยินว่าเอาเงินไปทำอาหารถวายพระทั้งวัดภาพนี้ปรากฏขึ้นในใจได้ก็เปลี่ยนภูมิไปเลยอาบายเนี่ยจอหลังเราอยู่นะน่ากลัวบทีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหลวงพ่อเคยมีหมาตัวหนึ่งหมาตัวนี้ถือศีลหมาถือศีล สัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้ามาในบ้านนะมันไม่ทำร้ายเลยลูกแมวมานะยังไม่ทำร้ายเลยกินข้าวอยู่มีลูกแมวหลงมามให้กินก่อนนะดูมันรู้จักทาทานด้วยของเรากินอยู่คนมามองมองเราลำคาญนะ <c oughs> มันไม่ขโมยหมาตัวนี้นะหิวน้าลายหยดติ้งติ้ง เรายังไม่ได้ยกไปให้ยังกับพระน่ะยังไม่ไปเขนกินไม่ได้ไม่เอาไม่ขโมยส่วนประพฤติผิดในกามเราไม่รู้นะไม่ได้ตามดูตลอดเวลามุสาบ้านไม่มีไม่เห่าสเปสปาไม่มีเลยหมาบางตัวเจออะไรก็เห่าเล่นเพลิดเพลินอย่างนั้นเรียกว่าเพอร์เจอร์เคยเจอหมาเพอร์เจอร์ไหม มาเพอร์เจอที่เราเจอเนี่ยมักจะเจอตอนกลางคืนตอนเราจะนอนนะหมาข้างบ้านเนี่ยชอบเพริรเจอเห่าไปเรื่อยๆยตัวนี้ไม่เป็นแล้วตัวนี้ไม่เคยกินเหล้าเลยนะไม่เห็นว่าไปซื้อเหล้าที่ไหนมากินอย่างน้อยสีห้าเนี่ยตัวนี้มีสีแน่อนอนส่วนกามเมเนี่ยไม่รู้หรอกนะสามีของมันนะเป็นสามีหมาตัวอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ด้วย เวลามันจะตายนะมันรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนอนเห็นร่างกายจะตายหายใจไปตาเน่ยใสแจ๋วเลยดูตาก็รู้ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจตาสายรู้เนื้อรู้ตัวนะโอ้โหมันตายสวยล้วก็นึกนั้นนี่มันนักภาวนานี่ยวานักปฏิบัติแท้ๆเลยแต่พลาด เ็เป็นหมาตายไปด้วยสภาวะอย่างนี้ก็ต้องไปดีละได้ผลละในอุตสาห์ทำดีนะพลาดไปเป็นเปรดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์รกก็เป็นได้งั้นงานเร่งดวดของพวกเรานะกิเลสมันจอหลังเราอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะเข้ามาขยี้เราลากเราลงอาบายไป งานหนีอยว่ายนี่เป็นงานใหญ่งานเฉพาะหน้าส่วนการทำอาหากินดารงชีวิตละอยู่เป็นหน้าที่ต้องทำเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นงานที่ต้องทำเป็นงานชั่วคราวทำไมเป็นงานชั่วคราวพ่อแม่อยู่กับเราชั่วคราวลูกเมียอยู่กับเราก็ชั่วคราวแต่บุญบาปมันอยู่กับเราจริงๆ ถ้าเราไม่รู้จักแยกแยกนะนั้นเราเอาเวลาเอาชีวิตของเราไปทุ่มเทกับงานชั่วคราวสงหมดเลยหรือความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยไม่ใช่งานชั่วคราวด้วยความหลงละเลงซึ่งไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์พวกเราเอาเวลาไปใช้กับสิ่งเหล่านี้มากเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรเนยเสียเวลามหาศาลเลย นี่หลวงตามหาบัวแต่ก่อน mm. แค่มีมือถือท่านยังด่าเลยนะท่านเรียกโทรศัพท์มือถือว่าเทวทัตจําได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าท่านอยู่มาถึงวันนี้นะรู้ว่าเขาเล่นไล่กันทั้งวันทุกคนก้มหน้าท่านจะเห็นไหมเห็นทุกวันเนี้ยเดินไปไหนนั่งรถไปที่ไหนเห็นแต่คนนั่งรถอยู่เงี้ยนะอะไรนักหนาก็ไม่รู้ท่านคงไม่มีคําเปรียบเทียบแล้วออก แค่โทรศัพท์มือถือท่านก็เทียบเป็นเทวทัตแล้วถัดจากนี้ก็ไม่รู้จะเทียบอะไรแล้วเรา พ, รพลาผ่านเวลาที่จะมาเอาตัวรอดนะไม่ก็สิ่งไร้สาระจำนวนมากนั้นจิตออกนอกหมดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเขียนอะไรตอนอะไรไปนะบางทีก็เขียนเวอร์เวอร์ไปนันผิดศีลมุสาแล้ว เวลาเราเขียนเฟซเขียนไลน์เขียนกระทู้เขียนอะไรรู้สึกไหมพยายามทําให้ดูดีอย่าให้ดูดีบางคนก็เขียนแบบปลดปล่อยเขียนอยาบคายเนี่ยยั่วกิเลสทั้งหมดเลยส่งเสริมกิเลสที่ยังไม่เกิดให้เกิดกิเลสที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นกิเลสของตัวคนเดียวไม่พอทํากิเลส ของคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกิเลสของคนอื่นที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นด้วยอย่างเขียนการเมืองกันมีช่วงหนะ่เล่นการเมืองเขียนกันรุนแรงกิเลสของตัวเองก็แรงขึ้นคนมาอ่านก็เกิดกิเลสแรงขึ้นเองทำกิเลสของตัวเองให้แรงทำกิเลสคน อ, อื่นให้แรงยังไงก็ไปอภัยสมัยพุทธกาลนะมีนักแสดงคนหนึ่งชื่อนายลูกตาลตาลบุตร ตาลบุตรตอนเกิดเนี่ยเกิดใต้ต้นตานลเลยชื่อตาลบุตรตาลบุตรโตขึ้นมาหนะ้รูปหล่อเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงตระกูลนี้เป็นนักแสดงวันหนึ่งตาลบุตรเนี่ยไปเจอพระพุทธเจ้าก็ไปตูนถามพระพุทธเจ้านะถามเพื่อจะอวดนะบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยครูบาอาจารย์ศิลปินของข้าพระองค์นะั้นสอนมา บอกว่าเราเนี่ยไปแสดงละครไปเลยร้องรำทำเพลงเนี่ยตัวเราก็มีความสุขทำตัวเองให้มีความสุขด้วยทำคนอื่นให้มีความสุขด้ยงั้นมีบุญมากงั้นเราไปร้องราทาเพลงคนมีความสุขมีบุญมากเมื่อข้าพเจ้าองค์ตายไปเนี่ยครูบาอาจารย์สอนว่าข้าพเจ้าองค์จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฮาสิตาฮาสิตาฮาสิตา เพราะว่าร่าเริงนะร่าเริงหลวงปู่ดูลมีคำอยู่คำห้าสิบบาทจิตที่จิตดิมไปถามพระเจ้าว่าจริงไหมจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นหาสิตาพระเจ้าบอกว่าไปทำอย่างนั้นะไปทำกุศลทำกุศลของตัวเองที่มีอยู่ใน้ให้เสื่อม กุศลใหม่ไม่เกิดทำอากุศลของตัวเองต้องบิ้วอารมณ์ใช่ไหมนักแสดงต้องร้องไห้ต้องหัวเราะต้องโกรธต้องอย่างน้วทํากิเลส ท, ที่ไม่เกิดของตัวเองให้เกิดที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นยิ่งเล่นเชี่ยวชาญนะยิ่งบิวเก่งแล้วทํากุศลของคนอื่นที่มีอยู่ให้เสื่อมทําอากุศลของคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิด ที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นอย่างเราดูหนังเก่งๆรู้สึกไม่หมันไส้ไอตัวผู้ร้ายเราเกลียดมันเงี้ยเราที่เกลียดผู้ร้ายเนี่ยเราถูกบิวด้วยอกุศลแลจิตเราเป็นอกุศลแล้วขนะนั้นหลวงพ่อจะไม่ดูหนังเลยนะไม่ดูละครละครที่ดังมากๆเลยชะรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะจบแล้วดูตอนจบตอนเดียวโนะดูจานจบตอนเดียวนี่แหมเข้าท่าไม่เสียเวลา แล้วรู้เรื่องคุยกับเขาได้แล้วเอ็นไปดูมานเะก็จมกิเลตหนักกขพี่ก็ดูตอนสุดท้ายพอรู้เรื่องตามสังคมเขาทันพระอาจาท่านบอกเนี่ยกิเลสของตัวเองนะก็เกิดกิเลสคนอื่นก็เกิดเกิดแล้วเกิดแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเมื่อตายไปเธอจะตกนรกชื่อฮาสิตานั่นต่างชื่อนรกใหม้มานรกร่าเริง มันไม่ไม่มีรอกนะอกนี้นะท่านท่านเล่นย้อนคำเพื่อกระตุกช็อก ค, ความรู้สึกแต่ลพุตตะได้ยินนะสถทานใจเลยรู้สึกว่าครูบาอาจารย์พูดนะไม่มีเหตุผลพระเจ้าพูดมีเหตุผลกุศลเสื่อมจริงอาคุศลเจริญจริงทั้งของตนของผู้อื่นสลดใจแล้วก็บวช ไม่นานก็บรรูปพระอรหันต์แค่เราจริงๆแล้วอกุศลน่ไล่ตามหลังเราตลอดเลยความโลภความโกรธความหลงอย่างตรงที่ตาลปุ่เนี่ยความหลงความหลงผิดมันหลอกให้นะพวกเราถูกกิเลสตามล่าถ้าจะยอมปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยกายปล่อยใจตามมันไปเรื่อย สุดท้ายก็โดนมันล่าเวลาลงนรกนะในตำรา ว, ว่าน่ากลัวมากนึกนึกดูก็น่ากลัวนะนดอดอกไฟในนรกนั้นรุนแรงมากแสงสว่างสว่างพอที่จะเราไปเห็นนะตาบอดได้ถ้าบารมีไม่พอนะถึงตาบอดได้ ไม่มีประวัติพระขึ้นไปเที่ยวสวัรคร์เยอะใช่ไหมไม่ไม่ค่อยมีใครลงนรกเลยเพราะลงนรกเป็นข่าวใหญ่คือพระมาไหลไปเที่ยวนรกแทบไม่มีองคอื่นความร้อนของไฟนรกเนี่ยสามารถหลอมภูเขาให้ดะลายในพริบตาเดียวนะทำไมสันนรกมันไม่ตายาลับหล่อเลี้ยงมันอยู่สิ่งเหานี้มีจริงๆนะทั้ง ในใบยภูมส4ประการนะที่พวกเราเห็นนะมีแต่สัตว์ในรชาญเปร็ดอสุรกายสัตว์นรกคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นแ้่คนมีหูมีตาจะเห็นได้เพื่เจ้าสอนถ้าเราไม่เชื่อเราเชื่อเฉพาะสิ่งที่มองเห็นนะอันตรายอยู่ถ้าใจเราถูกกิเลสครอบงำนะ เราก็จะถูกลากไปอบายแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันอกุศลอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันไปใจไม่ถูกครอบงำกุศลเจริญขึ้นอกุศลเสื่อมไปเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมแต่หน้าตา รุ่นนี้นะตายไปแล้วโอกาสเป็นพรหมมีน้อยเ พ, เ, เ, เพราะเราไม่ทรงชานเวลาพวกเรารวมจิตให้สงบเข้าฐานนะีใช้เวลานา น, านเท่าไหร่สมัยใจเรากำลังฟุงฟ้งๆอยูย่เนี่ยเก็บปุ๊บเนใช้เวลานา น, านเท่าไหร่ที่ให้เข้าที่ได้ตอนหลวงพ่อเป็นฆราวาทหลวงพ่อฝึกนะหลวงพ่อฝึกว่าเริ่มแต่ไม่กี่วินาที หวินาทีต้องได้สามวินาทีต้องได้ฝนะึกให้เป็นอย่างนั้นอย่างใจกําลังฟุ้งซ่านเนี่ยปุ๊บต้องเข้าที่ให้ได้เลยทําไมพยายามทําให้ได้ในสามวินาทีหรือห้าวินาทีอะไรเนี้ยเผื่อรถความตายกำลังคอหักลถกําลังหมุนๆอยู่เนี่ยมีเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดหมายถึงเอาจิตวิญญาณรอดได้ไหม ร่างกายถึงคราวแตกสลายก็แตกสลายรวมจิตเข้าฐานปุ๊บแล้วจะเห็นขันมันทำงานกะว่าจะทำอย่างนั้นนะไม่รวมให้สงบไปพร ม, มโลกหรอกกะว่าถ้าลดความพอจิตตั้งมั่นปุ๊บจะดูขันมันแตกกะว่าอย่างนี้พยายามฝึกในเวลาไม่กี่วินาทีฝึกไปเรื่อย ต้องฝึกนะให้ฝึกอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยกลเรื่อยเปื่อยไปตามกิเลสไปงานเร่งด่วนเฉพาะหน้าในวันนี้นะคืองานหนีเอาบายให้รอดมันตามเล่นงานเราอยู่แล้วตามไล่ล่าเราอยู่แล้วเรากลับไม่หนีศัตรูร้ายเรากลับไปเพลิดเพลิ น, นกับเหยื่อที่ศัตรูหลอก เหื่อที่ศัตรูมาหลอกเราก็คือการมคุณอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองเราอยากดูรูปเราอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายดีๆอยากได้เรื่องราวทางใจที่อ ร, อร่อยรอยสนุกสนานนี่คือเหยื่อที่มานํามาล่อล่อเพื่อจะลากเราเอาไปเป็นสัตว์ในอบาย พระก็สอนนะพระก็พยายามสอนให้เรามีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพระธรรมนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลามารมาหลอกล่อเราตลอดเวลาก็จริงนะพยายามลากเราไปอใบายตลอดเวลาก็จริงแต่พระก็แสดงธรรมให้เราอยู่ตลอดเวลาเราจะเลือกเชื่อมารหรือจะเลือ ก, อ ก, อกฟังธรรม ธรรมะแสดงอยู่ที่ไหนแสดงอยู่ที่ใจเรานี่เองเดี๋ยวท่านก็แสดงให้ดูว่าความ โ, าามโลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นอย่างนี้ความหลงเป็นอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งสิน้นนี่ท่านสอนทั้งสิน้นความโลภความโกรธความหลงนั้นบังคับไม่ได้มันจะเกิดมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับสั่งไม่ได้นี่ท่านสอนอยู่ตลอดเวลา ธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่โดยเฉพาะในใจเราความจริงแสดงในขันนี้แหละขันห้านี้แหละแสดงธรรมะนะ ข, นขันละเอียดนี่นแสดงอยู่ในใจในขันห้าคือตัวรูปรูปก็แสดงความทุกข์ให้เราดูตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวคันนะเดี๋ยวกระหายน้ําเดี๋ยวปวดดูเดี๋ยวปดดยวดฉี่นานๆมีทุกข์ใหญ่ให้ดูทีหนึ่ง ตอนที่มันจะขยี้เราให้ตายก็เอาทุกมามากๆแทบจะเหลือความสุขน้อยอย่างคนเป็นมะเร็งนะปวดมากปวดมากเลยถ้าจเจริญสติให้ดีจะเห็นว่าความปวดนั้นเกิดดับมีเวลาที่ไม่ทุกอยู่ด้วยไม่ใช่ทุกตลอดเวลาจะเห็นอย่างนี้ยังเหลือเวลาที่ไม่ทุกอยู่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยไตรรักษ์แสดงอยู่ในรูปในกายนี้ ใจรักแสดงอยู่ในจิตใจในจิตใจก็ประกอบด้วยอะไรบ้างความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเรียกว่าเวทนานี่อยู่ในใจของเราทีก็ไปอยู่ที่กายด้วยความจำได้หมายรู้ตัวสัญญาความนึกปรุงดีปรุงชั่วตัวสังขารตัวรับรู้คือตัววิญญาณหรือจิต เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสอนธรรมะเราอยู่ตลอดเวลาแสดงไตรลักษ์ตลอดเวลานะยัถ้าเราจริงเงี่ยหูฟังดูนะคือน้อมใจลงมาเรียนรู้ธรรมะในกายในใจนี้กายในี้ใจนี้แสดงธรรมะให้เราดูตลอดเวลาถ้าเราดูเราฟังสนใจคอยรู้ค่อยดูอย่าไปแทรกแซงมันนะอย่างเวลาครูบาอาจารย์สอนธรรมะเราเถียงแหลกเลยเนี่ย ธรรมะไม่เข้าสู่ใจเราเวลาเราดูธาตุดูขันทํางานธาตุขันแสดงธรรมะนี่เหมือนครูบาอาจารย์สอนเราเราเที่ยงมันเราไม่ยอมนะจิตฟุ้งซ่านกูจะทําให้สงบนะไม่ยอมเรียนรู้ความจริงวความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาไม่ยอมนะดื้อกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แสดงใจรักให้ดูกูจะไม่เอาของไม่เที่ยงกูจะเอาให้เที่ยงของเป็นทุกข์กูจะทําให้สุขนะ ของบังคับไม่ได้กูจะบังคับให้ได้เรียกว่าดือ้อครูบาจารย์ไม่มีทางบรรลุอะไรหรอกก็บรรลุกิเลสไปตกเป็นเหยื่อของมารไปนั้นอกุศล น, นะมารนนะั้นก็ตามล่าเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ธรรมะก็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะฟังเสียงมารหรือเราจะฟังเสียงพระนะเสียงพระก็อยู่ ในรูปนามเรานี้แหละแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูอยู่นี้แหละถ้าเราใส่ใจเรียกว่าเงี่ยโสดลงสดับคือตะแคงหูฟังหรือมองมีตาก็ดูมีหูก็ฟังสังเกตลงไปในใกายในใจนี่แหละเป็นสำนวนนะจริงๆก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะเราก็จะได้ธรรมะมาหนีอบายได้ถ้ายังไม่ได้ธรรมะหนีอบายไม่ได้ เ่นี้่อบายได้ต้องเป็นพระโสดาบันเท่านั้นนอกกนั้นไม่พ้นออกเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตกนรกอีกเพราะงั้ น, น, นทางรอดของเรานะ อ, อใส่ใจลงมาที่กายที่ใจนียเรียนรู้รูปนามกายใจความเป็นไตรลักษณ์ของมันให้มากอย่าไปเพลิดเพลินในเหยื่อของมนันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวทางใจที่เพลิดเพลินมันจะหลอกเราแปลอภันะ ไปสู้เอานะไปกินข้าวดูซิจะเป็นเหยื่อของมารไหมหรือจะเป็นลูกศิษย์พระไปกินข้าวไปเข้าส้วมนะนะดูจะเป็นลูกศิษย์ใครนี่หมดเลยครับ